หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตภาคสอารยธรรมวิถี ตอน6ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่22บทความประกอบที่5ความสุขบทที่หนึ่งฉบับแบบแผนลักษณะสำคัญของนิพพานที่สืบเนื่องมาจากความหมายว่าดับ ซึ่งนับว่าเด่นน่าสนใจมีอยู่สามอย่างคือน 1. ดับอวิชชาหมายถึงการเกิดญาณทัศนะอันสูงสุดอย่างรู้สัจธรรม 2. ดับกิเลสหมายถึงกำจัดความชั่วร้ายและของเสียต่างๆภายในจิตใจหมดเหตุที่จะก่อกปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆแก่ชีวิตและสังคมและ 3. ดับทุกหมายถึงหมดความทุก บรรลุความสุขอันสูงสุดเฉพาะลักษณะที่สามคือความสุขหรือความดับทุกข์สิ้นทุกนี้แม้จะได้ย้ำไว้บ้างแล้วในตอนว่าด้วยภาวะจิตของผู้มรลุนิพพานแต่ยังมีข้อที่ควรศึกษาเป็นพิเศษอีกบางอย่างจึงนำมากล่าวเพิ่มเติมไว้ต่างหากณที่นี้ความสุขมีความสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่า พุทธะจริยธรรมไม่แยกต่างหากจากความสุขเริ่มแต่ขั้นต้นในการทำความดีหรือกรรมดีทั่วๆไปที่เรียกว่าบุญก็มีพุทธพจน์ตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขในการเจริญภาวนาบำเพ็ญเพียรทางจิตความสุขก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดสมาธิดังพุทธพจน์ว่าผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นคือเป็นสมาธิ และถือเป็นหลักว่าสมาธิมีสุขเป็นประทัดฐานครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบรรลุฌานแล้วความสุขก็เป็นองค์ประกอบของฌานดังที่เรียกว่าเป็นองค์ฌานต่อไปจนถึงฌานที่สามฌานสมาบัติที่สูงกว่านั้นขึ้นไปแม้จะไม่มีสุขเป็นองค์ฌานแต่ก็กลับเป็นความสุขที่ประนีดยิ่งขึ้นไปอีกจุดหมายสูงสุด ข, ของพระพุทธศาสนาคือนิพพาน ก็เป็นความสุขและเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดด้วยนอกจากนั้นจุดหมายสูงสุด ข, ของพระพุทธศาสนาที่เป็นบรมสุขหรือโพธินั้นก็พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุขไม่ใช่บรรลุด้วยความทุกหรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกหมายเหตุเชิงอัตทุกขในกรณีนี้ หมายถึงทุกเนื่องจากทุกขรกิริยาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระองค์เองอีกทั้งไม่พึงสับสนกับทุกขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทาซึ่งคำว่าทุกในที่นั้นหมายถึงยากลาบากเท่านั้นพวกนิครนมีความเห็นว่าความสุขจะพึงลุถึงด้วยความสุขไม่ได้ความสุขจะพึงลุถึงได้ด้วยความทุกข์ดังนั้นพวกนิครจึงบาเพ็ญตบะ กระทำอตากิลมถานุโยคคือทรมานตนพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนตรัสรู้ก็ทรงเคยเข้าประทายเช่นนั้นจึงได้ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเสียเวลาไปยาวนาน